นี่เชียงฟังทำต่ออกีอกอีกสามทีนาทีให้เป็นส่วนประกอบกับงานของเราได้ยินได้ฟังได้ทำให้มันครบครบท่วนถ้าเห็นก็เห็นด้วยสติปัญญาจะเห็นเฉพาะต่าง การสัมผัสก็คือสัมผัสทั้งนโนโสัมผัสจะโ ก, กสัมผัสกายสัมผัสจึงจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ที่ว่าชั้นอุดมได้เพียงแต่ท่องแต่จำแต่พูดแต่ปากเป็นปฐมอยู่เข้าให้ถึงถ้าอยากได้บุญต้องละ บาปเป็นจิตจะมีบุญถ้าอยากเป็นคนดีต้องต้องต้งละความชั่วไม่จึตเป็นคนดีได้ลื่นเขิง <c oughs> <c oughs> ใจมันไปก่อนลื่นมันไม่ไปถ้าอยากเป็นคนดีก็ต้องละความชั่วนี่แหละงาน งานที่จะทำให้เกิดปุนงานที่ทำให้เป็นคนดีต้องมีการธรรมไม่ใช่คิดกรรมฐานเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ลิขิตชีวิตของเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เรามีสติมันจะเห็นความผิดความถูกเห็นความหลง เปลี่ยนหลงมันก็เป็นเป็นงานชอบถ้าหลงไม่เปลี่ยนงานไม่ชอบจะดีขนาดไหนก็ไปไม่ได้โชคไม่แย่กุญแจไม่ไขมันต้องเป็นหลักตัวนี้แนะ่นอนความหลงนี่หลักก็อกุศลแท้ๆล่ะความลห ล, มลงเป็นอกุศลละทำทําบุญก็ไม่ได้บุญถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้แนละ้ว ได้แต่วัตถุจึงของแต่ไม่ถึงกิจใจเป็นปัหิธาธรรมธรรมแต่ภายนอกเข้าสึงกิพอเรื่องกายอย่างเดียวไม่ถึงกิตใจหรือว่าอัจฉริธรรมคือธรรมภายในเข้าไม่ถึงเลยไม่ได้สัมผัสกับบนจริงๆไม่ได้เดืมดดำไม่อิม่ม่าบุนคือว่าอิม่มอิ่มใจไม่ใช่อิ่มกายแล้ว ยิมใจสุขใจเต็มใจอะไรว่า บ, บุญเต่ จ, จึงเข้าห้ถึงส่วนนี้ถ้าไม่ละบาปบุญก็ไม่เกิดบาปคือนี่แหละอกุศลอกุศลคือพ่อแม่ของอกุศลคือความหลงเมื่อมีความหลงก็มีความโกรธมีความโลภ ม, ม, ม, ม, มีความทุกข์ก็เป็นบาปไป ตรงล้รทำดำเฉียบัณดิตตรงลธรรมดำเฉียแล้วจะเญื่อมคำเขารมดำคือหลงเนี่ยทำเขาคือไม่หลงจะเิื่อซะทำได้ขณะที่มันหลงเปลี่ยนไม่หลงอันนั้นมันเป็นทมดำทำเขาเห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่ถ้าเปลียนบรรยากาศอะไขึ้นมันก็ไม่ต้องถามใครจวมหลงเป็นยังไง ความไม่หลงเป็นยังไงเราจะได้สัมผัสเองให ม, มีคำถามถ้าไม่เปลี่ยนอกุศลเนี่ยกุศลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนอกุศลคือความหลงอกุศลโดนเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปเป็นบาปเป็นมาลูกเป็นเปรเป็นชโลกายเป็นทุกข์ โศกปฏิบัติกูดเจอเจ็บตายในชาติในภพต่างๆหลงแล้วจี้างโกรธแล้วจี้างทุกข์แล้วจี้างไม่เี็ดไม่หลับลือน้านเราต้องมาเปลี่ยนดูสิให้โลกใหม่เราดูเทิดโลกแห่งความไม่หลงเนะี่ยมันจะเป็นยังไงสัมผัสดูจงเมื่อถึงที่ไม่มีน้าให้มันขึ้นฝังสติขอเป็นคนขนสง่ง ขนส่งให้พน้นให้มนุษย์ให้คนพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปพ้นจากทำดําไปถึงความทำดําไปถึงทำขาวเหมือนก็ถึงที่ฝั่งไม่ต้องแบกต้องไหวเราจึงต้องต้องฝึกตนสอนตนเราอยากเป็นคนดีอะไรที่เป็นคมไม่ดีอะไรมันไม่ดีดไไดต้องละ จึงจะเป็นคนดีได้ก็ไม่ดีมันขวางกัน้นเป็นภูเขาไปไม่ได้บางทีอยากจะทำดีอยู่แต่ใจมันไม่อยากทำถ้ามีไม่มีน้ำใจเราทำไม่ลงเช่นอกุศลมันขวางกันเป็นภูเขาเช่นความโกรธความหลงความโกรธความโลภไม่เห็นความดีของคนอื่น ถ้าเกโกรธหรอกเมียก็ด่าเป็นหมาผัวก็ด่าเป็นหมาถ้าเด็กโกรธหอกแม่ก็ฆ่าได้ลูกก็ฆ่าได้มันไม่มีอะไรที่ทําได้ถ้าความเอากุศสุนมาขวงขังกันนะไปไม่ได้จนทงความช่วยได้สำเร็จจนทงความช่วยได้สาเร็จจนถึงที่สุดเป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่น เราอยู่ยากลำบากเพราะคนหลงเพราะคนชั่วถ้าเราเป็นคนดีเปลี่ยนหล ง, ลงเปลี่ยนความไม่ดีให้มันดีซ<อ>ะก็อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเรามี ค, ความหลงก็เป็นคนเราโคนกันไปไอาศัยกันไว้ได้ไอาศัยตัวเองก็ไม่ได้อาจึงมาเอาเนี่ยเหตุอยู่ที่นี่นะ เจอกันแต่ตีต่อนะต่อตาพอมีสติก็ไปเห็นความหลงนะเละงานความหลก็ตื่นรุ่นจังหน่อยอยากให้มันยิ่งใหญ่ให้มันมีรอยพิชัตถ้ามันหลงแล้วถ้ามีสติมันจะยิ้มยิ้มโอ้ยิ้มยิ้มจังหน่อยนะคนเห็นหลงไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีเห็นผิดเนี่มันดีนะเห็นอภิเสธเห็นทุกมันก็ดีเห็นอย่างก็เสด ทุกเจ้าล่ะเห็นสองจิงอันเป็นสุดสี่อย่างคือทุกนั่นแหะเหี่เกิดทุกนั่นแหะวิธีที่จะไม่ออกหนีไปจากทุกได้แล้วนั่นแหละเป็นสุดแล้วดองชนะตัวเองอย่างนี้ดูสินี่แหละเป็นชนะอันเป็นสุดอัตหาไว้คิดตั้งเสียโยชนะความไม่ดีนี่แหละตัวเองนี่แหละ เป็นอันวิเศษจะมีเหลียไว่าตัวเองไม่มีใค ร, ใครทำให้เราได้เราต้องทำเอาเองตัวใครตัวมันฝึกหัดตอวเองหัดให้มันเป็ น, นไม่ใช่เรียนรู้เรารู้มามากแล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกมามากแล้วอะไรผิดเราก็รู้อะไรถูกเราก็รู้อะไรดีก็รู้อะไรชั่วก็รู้ แล้วก็ยังไม่ได้ทําหรือเต่กันก็นทำอมนเดียวคือกรรมฐานให้กรรมฐานลิขิตไปดูชี้สิ้นเวรชิ้นกรรมกรรมย่อมสิ้นไปด้วยกรรมฐานเวรย่อมสิ้นไปด้วยกรรมฐานจงเวนโอ้มโกรธย่อมสิ้นไปด้วกรมไม่โกรธโอมทุกข์ย่อมชิ้นไปด้วกรนไม่ทุกข์โอมหลงย่อมชิ้นไปด้วกรไม่หลง มันก็เห็นต่อนัฮะอยู่เนี่ยเวลามันหลงไม่หลงเนี่ยเวลามันโกรธไม่โกรธเนี่ยเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยที่ว่าสิ้นกรรมถ้าหลงเป็นหลงก็ยังมีกรรมถ้าทุกข์เป็นทุกข์ก็ยังมีกรรมโกรธไม่โกรธ ก, ก็ต้องมีกรรมอยู่เพราะมันต่อไว้มันมีที่นั่งมันมีที่อาศัยถ้าห ล, ลงเกิดขึ้นอะไรก็เป็นความหลงร้อยเปเซ็น แล้วก็แสดงทําตัวเป็นคนหลงทำตามแล้วก็มีค่าสาหรับกลมหลงอ้าวแล้วมันหลงเห็นมันรู้มันน่ยเปลี่ยนเป็ น, ปนไม่หลงนะมันไม่มีค่าอะไรก็ไม่หลงมีค่ากว่าถูกต้องกว่าความไม่ทุกข์กว่าถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องแต่แค่บอกตรงนี้เวลาอื่นให้คนอื่นสอนให้คนอื่นบอก แต่นี่อยากจะบอกเรื่องนี้เพราะมันอยู่ที่นี่แน่นอนเราก็อยากเป็นคนดี <c oughs> อยากมีบุญ <c oughs> ไม่มีวิธีใดช่วย <c oughs> ก็ต้องทาอย่างนี้แหละจะขนง่ง <c oughs> เรื่องอื่นให้คนอื่นโศน <c oughs> ที่นี่ขอด่วนสักหน่อย <c oughs> สายด่วนสักหน่อย ประมาทมาได้ถ้าหลงก็ไปสู่พุพุงต่างๆเป็นเปรเป็นจุลกายเป็นจรโลกหรือฉนอ้บ่ยไม่เจริญเลยทีเดียวไปสู่อบายถ้าไม่หลงก็ไปสู่สุคติวัฒนะเจริญขึ้นถ้าหลงก็เสื่อมลงได้บอกาหา ย, ยนตนะไปทางเสื่อมไปทางต่ๆ ถ้าไม่หลงไปทางสงสงวัฒนตีขึ้นตีขึ้นถ้าไม่หลงที่เราแล้วสิ่งอื่นความดีก็เกิดขึ้นจากเราเนี่ยถ้าเราหลงความชั่วเกิดขึ้นจากเราเนี่ยมากมายเราจึงมาช่วยกันตรงนี้สักหน่อยเขียนกันตรงนี้สักหน่อยเหตุไม่อยู่ตรงนี้แหละ ถ้าเห็นคนไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่านั่นคือความหลงของเขาความโกรธความโลภความทุกข์จะไปโกรธไปด่าโกรธให้โกรธธรรมที่มันมีอยู่ในใจเขาไม่รู้เขาด่าเราเขาไม่รู้เขาทําชั่วเขาไม่รู้อาจจะมีเมตตาต่อคนที่ทําชั่วด้วยถ้าเรามองให้ลึกซึ้งลงไปนะไม่หวันที่จะไป โกรธตกเห็นคนเดึองโกรธเราจะช่วยเองเขาไม่โกรธนี่เป็นเรื่องปัญญายิ่งพวกเราเป็นสัตว์สังคมยิมีโอกาสอยู่ด้วยกันถ้าเห็นใครโกรธก็ต้องช่วยกันเต็มที่นะมามาช่วยกันเด็พกพ่อกาลังโกรธแล้วเด็เรียกโลกเรียกตโตมาแต่แม่โกรธก็เรียกโูกมานี่แม่กำลังโกรธเนียังไงพวกเราช่วยแม่ได้ไหม ทีใดที่ทำให้ไม่โกรธให้ให้เป็นเรื่องใหญ่โตจะไม่ได้แล้วหลงอย่างนี้ไม่ได้ลโกรธอย่างนี้อันตรายแล้วเราเราไม่ต้องอยู่ในภาพแบบนี้เบื่อแล้วเกิดเบื่อความโกรธความทุกข์หนี้ถิเธอพวกเราไปชวนกันบางทีใช่ไหมหลงตายเป็นเด็ก แม่คนหนึ่งลูกชายทะเละกันคนหนึ่งก็เลียกต่ออยู่ด้านนอก้านแล้ลูกชายก็อยู่กับแม่แม่จับปานจับไปเฉยไม่พอเอาหน้ามาลูบ อ, อกขอมาลูบ อ, อกลูกชายไป เย็นเถอะูกไม่เป็นไรอตเถาาอดเถาาอดเถอน้ามาลูกของใจของลูกชายลูกชายจำท่าจะไปแม่ก็ลูกไว้เอนน้ำมาลูกอดไว้อดไว้ลูกกดไว้ถ้าผัวเมียช่วยกันอย่างนี้จะดีมีบ้าหมในโลกเนี่ยงยักดอ่อนน้ามาลูกหอกหยุดเถอแม่หยุดเถอะผัวกดอ่อนน้ามาลูกของชายหยุดแต่พ่อหยุดเถอไม่ได้ไม่ได้ ตีลมกันตีลูกเลยเอา้าเขาไม่ได้ตายผิดแล้วไม่ใช่หรอกลองช่วยกันอย่างนี้สษีมันเป็นเรื่องเจ๋นะเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเราช่วยเราได้ได้ไดก่อนเราช่วยคนอื่นได้ไม่เสร็จไม่ยากเราเคยชนะความหลงหน่อยโอ้ยง่ายนิดเดียวเราเคยชนะความโกรธได้ง่ายนิดเดียวชนะ ค, ความทุกข์ได้ง่ายนิดเดียวแต่ไม่คนอื่นชนะ ไ, ไม่ได้ ยามาคุยอวดเรื่องทุกข์เลยในโลกนะี้มีทุกรถทุกชาติอ๋อขอบคุณมันแล้วเกิดถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์เห็นมันทุกข์มันก็เป็นเรื่องดีพ้นจากทุกข์เห็นปัญหาก็เป็นปัญญากรรมฐานนี่มันศักดินะ์สิทธิ์ะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินะไม่ยกหรือไหว้ตัวเองได้ ถ้ายกมันง่ายเตียงได้ยคนว่ายคนอื่นได้ช่วยเตีเงได้ก็รู้จักช่วยคนอื่นไม่ปล่อกันเพ่งถ้าเราช่วยเตียงไม่ได้ก็ช่วยอื่นก็ไม่ได้หรอกบางทีเป็นเรื่องใหญ่เสร็จแล้วทุกวันนะ่าความหลงความโกรธความโลภความทุกข์โชกันเหลือเกินมักจะออกหน้าออกตา ในเราเนี่ยอะไรมันโชว์ตเห็นลูกอะไรมันโชออกมาไก่อนมีปัญญาบ้างไหมโอที่เห็นเสียงอะไรมันโชว์ความพอใจโชไหมความไม่พอใจโชวไหมขณะที่เย็นเสียงมีปัญญาไหมเสียงคืออะไรเป็นจักรวาลหรือมันจริงเป็นจริงหรือเสียงนอะไ ชักให้เราหวั่นไหวเลยหรือเสียงก็เนินทาหวั่นไหวเราหรือเสียงก็เฉิญหวั่นไหวเราหรือนันคืออะไรกันแน่มีปัญญาไหมอะไรมันโชคมาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโลกเราจะยู่ไงถ้าคนเราเป็นสภาพเพียนนั้นน่ะอะไรที่เราจะพึ่งพาศัยกันได้อะไรที่เราพึ่งตัวเองได้มีบ้างไหมหนักแน่นไหม บัณฑิตผู้ฝึกตนสอนตนย่อมไม่หวั่นไหวพานเห็นทาสันเสริญเราก็ได้ยินอยู่เราจะเป็นคนพานหรือเราจะไม่เป็นบัณฑิตบ้างหรือเราต้องสดด้มผัดดูในชาตินี้เหลือไม่นานนะชีวิตเราเกิดมานี่ไม่ไดใมาอยู่นะ ไม่ใช่เรามาอยู่เราจะผ่านไปศึกษามันให้มันจบซะจบตั้งแต่หนุ่มๆเลยเนาะยังดีนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าจบเรื่องชีวิตนี่อายุสามสิบห้าปีเท่านั้นเองเรียกว่าปรินิพานนิพพานแล้วหมดพิษหมดภัยแล้วแล้พวพระองค์ทำลายเมื่อหมดพิษหมดภัยหรอสามสิห้าปีต่อไปตั้งแต่วัน อุบัติขึ้นของพระเจ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องพระธรรมคาสอนแล้วบันี้พระธรรมคำสอนคืออะไเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัญญผ่านเช่นกันอะไรเป็นทางออกจากทุกข์มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมีทางไหมมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์ทำได้ไหมมันโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธจริงไหม สัมผัส ด, ดูเวลามันโกรธถูกต้องไหมมันไม่โกรธถูกต้องไหมเลือกเป็นไหมหรือมืดบอดไปเลยเลยอวิชาขวังกันเหรอนายความโกรธมืด ไ, ไปเลยแทนที่ใจสุดแสงสว่างมีสติสักหน่อยไม่ก็ใ ด, บ, ดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งภพไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญา อยากเห็นจะพังตาเฉยๆไหนคนไม่เที่ยงคนเขาเป็นทุกข์เราไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ไหมไหนคนเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ไหมต้องดูส่องผ ด, ดูเจอได้ดื่มลดพดธิธามขณะเดียวกัน ในความหลงในความไม่หลงในความโกรธมีความไม่โกรธในความทุกข์มนความไม่ทุกข์เนี่ยสอมผาดดูสิมันจะมีรสชาติในชีวิตจึงจะเรียว่ามนุษย์เป็นสัตประเสริฐเพราะมันเปลี่ยนชั่วเป็นดีเปลี่ยนบาปเป็นบุญนี่คือทางที่เราจ้องไป บาปพาไปสู่นรกมากเท่ากับขนโขดด้วยปลายทางพอใจไม่พอใจตาเห็นโูกหูดินเสียงพอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นพอใจไม่พอใจกายสัมบัติจิตใจชิดนึพอใจไม่พอใจใจในใจเกิดอะไรอีกในใจนั่น ตายในกายเกิดละเอียดเป็นภพเป็นชาติอยู่ในกายในสุขในทุกข์ต้องเห็นมันโบกคืนไม่เชื่อต้อนรับโบกคืนไม่ให้ข่าความหลงไให้ค้ามันความทุกข์ก็ไม่ใมห้ ข, หหข้ามัน จืดไปเลยนะก็ะไม่ทุกข์มีฆ่ากว่าก็าไม่หลงไม่ฆ่ากว่าลองดูชีวิตใหม่นะวะนวะชีวิตนะวะแปว่าใหม่เอี่ยมเลยถ้าไม่เป็นอะไรไม่เป็นเหตุเหตุเห็นใหม่เอี่ยมถ้าเป็นเราเปรอะเปื่อน เ, เ, เ, เก่าคําค่า ชุดโสมในโลกได้ต้องเก่งนะถ้าไม่เก่งลำบากลองหนังโละครมากกว่าโรงเรียนสเป็นเมากกว่าหมอคนพันจะมากขึ้นไอ้ละที่บอกความจริงต่อเราสื่อสารมวนชน อะไรต่างๆมันทู่ถึ ง, ถงเนื้อถึงตัวเลยตักวนันนี้ถ้าไม่คิดแล้วจะหลอดจะหลงคน <โฆ S 1> ชวนช<ฆ>ิ่งที่ชวนให้หลงมีมากอันชิงที่ชวนให้รู้มีน้อยน้อยหนึ่งก็คือพ่อแม่กูอาจาอนพระพุทธธรรมผสมมีไม่มากชวนคนชวนให้หลงนี่มีมากสู้ของไปได้เขา มีดาวเทียงต้องมีอะไรต่างๆเราอาจจะได้ยินได้เห็นมากในความหลงแป๊บซี่ดีที่สุดเขาว่าอย่างนี้ชูโกโตบว่าน้อมผลดีที่สุดโกโตว่าอย่างนี้ไม่มีใครได้ยินเขาได้ยินแต่ว่าแป๊บซี่โชในโลกนี้หัวใจเดียวกัน นี่ภาบอะไรช้างบ้างอะไรบ้างไอ้แต่บุรีก็ยังโชว์ทั้งทั้งที่มีพิษมีภยัยลูกเด็กเด็กแดงไปกันหมดเห็มเมอร์เกอร์นั่งรถผ่านไปเออเฮ็ดลูปไก่ลูกไก่มิกซี่ เด็กน้อยนั่งรถจะกินไก่เม็กซจะกินไก่เม็กซ่โจ๊ะโจ๊ะ <laughs> เราไปรู้เลยเม็กซิคืออะไรนะเม็กซไก่เมกเเเ็กซิคืออะไรไรเม็กซคืออะไรนะลูกแอมเมอร์ก็อยู่แต่ไรหน้าผ่านพลาเลยของที่ไหนก็เห็นเม็กซิไก่เม็กซิเป็นง แม่พ่อแม่เขาต้องเวียนขึ้นไปจอดลูกมันลองให้นั่งรถไปแล้วก็ไปอนี้ก็ออไม่ขนาดนี้เนาะคนหนึ่งมันหลงอ่ะเอาได้ผลน้องตาตั้งสำนักสอนในสี่สิบกว่าปีเราเพิงมีโซเชาโชเช่านมานาะไมญยากมีขนาดไปบาน บุกเบิกที่นี่มากที่สุดเจ้าหน้าที่สารสุขไม่มากนอกจากไม่ค่อยมีให้สมดุลให้เราเป็นตัเลอเนับหนึ่งซะเรานี่นับหนึ่งะหนึ่งละเราเนะีอ้าวลูกพ่นี่แม่นี่เราดึงละคิดจยางไนแล้วนะ ยิ่งมีผัวเมียกันเรานี่แหละคนนึ่งแล้วไม่เนี่ยรับผิดชอบระยะยาวที่สุดจนสุดชีวิตนั่นแหลโอ้เดียวมีเดียวสุดชีวิตเลยสัญญาความรักกันระยะยาวที่สุดมันจะดีนะอันนี้นี่ยงอนแน่นคอเนเคนต์คุ้มร้อยคุ้มดีนะถ้าโกรธเราเข้าขาดแรงแจงขาดม่อง ไม่มีเลี่ยวไม่แรงจะช่วยใครได้ตกมุ่นคุณคิดโผใจในความโกรธมีคนไปห้ามก็ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมมันขนาดนั้นนะรสชาติของโลกนะต้องไม่สัตว์โลกติดเราจึงมาดูสิมันขนาดไหนลงมาดูอีกโลกใหม่ดีไม่รู้สึกตัวดูสิ เมื่อเห็นมาดูมันสิอย่าเป็นนะเมื่อดูมันอะไรมันจะออกมาเมื่อดูกายนี่ก่อนเนะ่ยเคลื่อนไหวอยู่ในให้มันรู้อย่างนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากความโูภแล้วโยยะได้ศึกษามากมายตลาดนัดแต่งการศึกษาหลาย อ, อกมาบางทีมันิดติดมาเท่าไรหรก่ก สุกส่วนมาเรื่องอะไรมันจะฉายออกมาให้เราอใจมันติดอะไรกายมันติดอะไรตรงนั้นติดปุ๋ยก็ปุ๋ยก็ฉายออกมาติดเล้าก็เล้าฉายออกมาติด ก, กิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็ฉายออกมาอยู่เฉยเฉยไม่หรือเนี่ยมาลู่ตรงเนี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนมาเป็นภาวะที่รู้ทวนก็เสียสักหน่อยทวนสักหน่อยอ ย, อย่าวันไว เราจะดูแลเรื่องกินเรื่องนอนเราจินไหลจะถ่ายตรงไหนเราพยายามที่จะให้เกิดความสะดวกตามฐานะของเราไม่ต้องคิดเอาหรอกคนหนึ่งเราก็คนหนึ่งให้คิดอยางแน่สู้สักหน่อยให้เหมือการสู้สักหน่อยทนสักหน่อย เสียเฉลยอเจ้าหน่อยมีศรัทธาในความกระทำความดีเักหน่อยแล้วว่าแต่ปากอโหพุทโธพระพุทธเจ้านะาชัจจันจริงอโหธรรมโมอโหสังโฆนาชัจจันแบลบห น, นอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าชิดหน่อยมีบ้างไหมในหัวใจเร า, าเนี่ยอยู่นอกเราเหรือ น้มมาใช่เราเช่โอปันนี่กน้อมมาใช่เราใชเอเวลามัหล ง, ลงเปลี่ยนไม่หล ง, ลงน้อมมามีศรัทธาตเตราไม่หลงเราจำตรงนี้นะให้มีศรัทธาจยให้หลุดไปง่ายๆให้หนักแน่นน้อมมาใช่เราน้อมก็ไม่หลงเข้ามาน้อมค็ไม่ทุกข์เข้ามา อย่ารับเหมือนเรานั่งเก้าอี้เนี่เอาอี้ใบเดีเรานั่งอยู่นะหมายถึงความรู้สึกตัวนั่งอยู่นะเวลามันหลงเกิดขึ้นหรือทูกออกไปแป๊วหลงเหรือให้เขานั่งหลือไม่ใชาต้องอยู่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกถ้องคิดจะลูกอย่าไปลุกตามความคิดให้ลูกเสียกอ่อนเอาเถอะลูกก็ลูกตามความรู้สึกตัว แต่นั่งชาตจังหวะก็เดินจงกรมอยู่มันคิดคิดจะนั่งก็อย่านั่งตามความคิดไอ้ยรู้สึกตัวค่อยเดินแล้วค่อยมานั่งแบบอิสติให้โตให้โตให้ตเดี๋ยวนี้อะไรขาดทำความเพียนกวามคิดพาให้ทําความขี้เกียจพาให้หยุดความขยันพาให้ท่องความขี้เกียจพาหยุดไม่ใช่ให้เป็นจัตธาร อย่าให้ความหลงความยากความไม่สั่งการต่บางทีความยากไม่เอาเอาันง่ายๆจังเดียวอันอยให้เป็นจากนั้นยากให้ไม่เกี่ยวเราจะทำข้อ เ, เองมันผิดก็ไม่ใช่มันถูกก็ไม่ใช่เราจะรู้ของเราเองผิดก็จะเห็นมันมันถูกก็จะเห็นนัน มันโศกมันทุกข์ก็จะเห็นมันมันยากมันง่ายก็จะเห็นมันยืนหยัดอยู่ตรงนี้นะยืนอยัดตรงนี้มองตรงตรงอยู่นี้ไปอย่าเลี่ยลียงไม่มีหลี่ยลี่ยงตรงไปเลยถ้าจะตรงถ้าจะด่วนนาะอาจจะหนึ่งวันอาจจะเจ็ดวันอาจจะบรรลุธรรมก็ได้บรรลุธรรมคือคอะไรบรรลุธรรมคือผ่านความชั่วออกไปได้ อย่างน้อยก็ต้องเห็นกระแสเวลามันหลงเห็นความ่หลงมีคู่อยู่เวลามันโกรธเห็นความไม่โกรธมีคู่อยู่เวลามันทุกข์ในความไม่ทุกข์มีคู่อยู่ เ, ยาายยเป็นกระแสว่าอยู่เราเคยทำแล้วถ้าเจ่งไปเจ่งไปเจงไปเอา้าเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายง่ายนิดเดียวมัน มันมันพลังมาอยู่ทีงนี้แล้วน้นี่เดียวงัล่าตะไว้แล้วไม่เป็นหน้าผ่าแล้วก็ว่าถูกความทุกข์จับเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบ้านหน้าแล้วความทุกข์เป็นบ้านห น, น้าขึออ้นเลเกิดเจ็เจ็บตายแน่นอนที่สุดธรรมะจะมีศิละปะตรงนี้มาก เรียกว่าเหนือการเกิดเจ็บตายจริงๆพระเจ้านิพพานในเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีชาติอีกแล้วในความเกิดไม่มีชาติในความเจ่ไม่มีชาติในความเจ็บ ไ, ไ, ไม่มีชาติในความตายเหนือแล้วเมื่อพระองค์ปฏิพานแล้วพระองค์ทำลายกี่สี่พันปัญหาไปที่ไหนอยอสิบ ป, ปนตนา เดือนปีเดียวพันชาเดียวนอนหลังก็ไปเวลุวันสอมพันชาอปดิบัตฐานพุทธิศาสตรทสาทนั้นการนนเป็นผู้ตักถาดใต้อาคาศสาวกที่เวลุวันหานิบุตมคลานะตั้งหลักฐานที่นั้นพระเจ้าพิมุสาร์ตรงเราจะคือมะคดลด รัดใหญ่อกจจะนกไปแล้ววะพษาที่สี่ที่ห้าที่หกพรษาที่เจ็ดษาที่สี่ที่ห้านี่ยอาจจะไปกบิลพัทไปโปรดพุทธบิดาพรรษาที่เจ็ดไปโปรดปรมันดาจอมภษาไม่อยู่ที่เดียวเลยดีกว่าพวกเรา เราอยู่นี่จะเกือบหลายสิบปีแล้วสี่สามสิบสี่สิบปีแล้วไม่ไปไหนดูเจ้าเนี่ยปไม่มีรถเลยเดินถนัดนิพพานแล้วสี่ห้าปีจนถึงแปดสิบปีเดินมาจากเมืองกว่าบมาถึง อฮะเปเมื่อถึงกุชินาราเมื่อถึงกุชินาลาบอกพ่ออนนอโอนนเลยปูสังขาลงนี้ปูผ้าสังขาลงนี้แล้วจะนอนไม่ลุกแล้วขนาดนั่นใช่ไหมไม่มีใครมนุษย์ในโลกเนี้ยหน้าางนางลางทะโคสวนมรรคสัต ไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยอนอนเธอยังปูสังขาลงเทนี้เราจะนอนไม่ลุกอีกแล้วไม่ลุกจริงเยิงปนิาพานหมดเลยสี่ีิห้าปีทาลายเราแค่ไหนที่วสาสตาพระเจ้าเท่าทุดีในฝ่าพระบาทขององค์มาลอยอยู่ในหัวใจเราบ้างไหม สำนึกหมมีศรัทธาไหมอะไรนิดหน่อยก็ไม่ชู้หรือใช่เราต้องเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งที่จะต้องศรัทธาในเรื่องนี้อย่างแน่วแน่แต่เป็นตาไรเยียงไรก็ต้องสู้เจ็บพุทธสาวก เกินทุดีเม็ดแน่นอนอยู่ในหัวใจเราอ่าก็ให้เราพยายามเพียรพยายามตั้งไว้ใจมั่นสำเร็จตั้งใจไว้ที่ไหนมันก็มีความสำเร็จแน่นอน้องมีศรัทธาสักเจ็ดวันนี้เราจะทำเรื่องนี้ก็จะไิรถ้ก็เคยใช้ิธีนี้ ฉันข้าวหนังสุดชดาแล้วเดินข้าแม่น้ํำในรันชลามาฝั่งตะวันตกได้ต้นถีบมะพร้าแล้วจะนั่งตรงนี้ไม่ลุกถ้าไม่รูรร้ทำหนังกระดูกจะเหงือแทงไปก็ตามจะไม่ลูกถ้าไม่รูรร้ทำนี่ขนาดขนาตา zoom z หาอยู่ไม่รู้่อะไรเคยอะไร ยังมีจิตใจขนาดนั้นเด้ย๋ยวบทที่ฐ<บ> า, านใจแน่วแน่บางทีนักกรรมฐานเขาก็ว่าสมาธานกาาารรมฐานอานมาหังพระกวา่าอัตตาภาวางาังาวอามากงรุติสัจจามิแต่เพื่อผู้มีพาคเจ้าผู้เจริญแล้วเจ้ า, าจะขอปฏิบัติวิปัจฉนากรรมฐาน หนึ่งวันเจ็ด ว, ว, ว, วันเพื่อทำมาแจ้งชื่อมคผลนิพานแต่ไม่หนีจากที่นี่นไปเจ็ดวันนิพานสะไม่ชัดเจนนิพานสะไม่นิพานจะไม่อะไรเพื่อไงนิพานจะไม่สต <c oughs> ิสติกระดอายากรรมวา น, นังเทเหวี่ยมนานโลกขี้เกียจจำ ไม่อยาดพูดแต่ว่าก็อ้างๆซะหน่อยไม่ใช่บอาว่าเองมันมีมาแล้วนะจะทำให้ผานให้แจ้งจะทำปฏิภาณให้แจ้งนั้นหลงก็มไม่หลงก็มีแค้งชักหน่อยอย่าจนมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็มีมันโกรธก็ไม่โกรธก็มีหัดหัดมองอย่างนี้ ต่างที่เราขอบวชสัพพุทกะนิจฉนนิพพานะสิสัพพุทกะนิจฉนนิพพานะจะอาศัยกากสองเหตุว่าอาศัยผ้าสาวพันนี้เพื่อช น, นทุก ข, ข์ให้ถึงมรรผลนิพพานเพื่อนิพพานไม่ใช่เพื่ออะไรนิพพานะชจิกะนัเธอ อิมังกาสวังเหตุวาเอาอกจีวอนเป็นเหตุอาศัยเหตุอันนี้อยู่อย่างากกฉันโถดมาลูกฉันข้าวมือเดียวมาลูกฉันเข้าวสองมืออยู่กับต๊ก็อยู่ประศาทเคยอยู่หลู่หลอเคยเปิดตู้เย็นเคยนั่งสะดวกสบายมาเดินใจลมไม่กับต๊ไม่มีตู้เย็น บ, บังคับ การกินอาหารกับบังครับมัดมือโชคมีอยู่ในถ้วยอะไรก็ฉันไปไม่ได้เลือกถ้าจะเขาจะให้กินอะไรนี่มัดมือโชคทำรัวเป็นเขาเรื่องง่ายสันโกดไม่คุกคีไม่เห็นใจความมากๆอยู่ในระเบียบนี้เป็นการโคตเก่า ชีวิตจิตใจของเราไปในทัวเสร็จนอกจากเรามีกรรมฐานเข้าไปอีกย้ำเข้าไปให้มันล่างบางไปเลยเริ่มต้นจากภาวะที่รู้ น, นี่แหละการศึกษาดูแลตัวเองให้ดีให้มันคุ้มไปบัตรทำคือดูแลตัวเองให้มันคุ้มอันก็มีไม่มากเราไมีกายไม่ใจ กายก็มีอะไรที่มันเกิดคึนนี้ดูมันต้นแหตุอยู่ที่กายให้มัเห็นอยเป็นใจมันก็มีต้นแหตุอยู่ที่ใจมันคิดความคิดเฉยๆก็ทุกข์ความคิดเฉยๆก็นอนไม่หลับความคิดเฉยๆก็ร้องไห้ได้ เอาชีิตไปห้อยไปแขนไปกับสุขกับทุกข์ทำไมเหนือน่อยนั่นไปได้หรือให้เห็นจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์ไม่ได้หรือออกมาซะให้เห็นมาดูลกูกมันเป็นอย่างนี้โลกเนี่ยไม่ใช่เราต้องเหนือโลกอ่อยกันเถอะพวกเรา อ, าอยู่ในโลกไม่ปลอดภัยแน่ เปลี่ยนไาแตายเกิดเริ่มต้นจากข้ามความหลงไปความรู้ไปเข้าแรกแล้ว ม, มาหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูเปลี่ยนทุ ก, ปกเป็นรูเวียนเลยเป็นรูทั้งหมดก็ไปได้ถ้าไม่เปลี่ยนมันไปไม่ได้เทว่ยวกรรมฐานทวนาขยันรู้ ภาวนาคือเปลี่ยนร้ยเป็นดีวัตนาถ้าไม่มีภาวนาเป็นหายยนะมันเชื่อมเราก็ต้องศึกษาบชักหน่อยนะเนาะก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยในการปฏิบัติเราตกก็มีพระอาจารย<แ>์แม่ไก่กรรมฐานแม่ไก่พยายามดูแลเราอยู่ มีบุคคลสัพพะมีธรรมสัพพะอาหารสรรัพพะเจนาสนะสัพพะเป็นเครื่องมือปุพกิจปุพกกรที่เราจะต้องอาศัยสี่อย่างนี้ก็พออยู่กันได้เส้าหน้าสนาะสัพพะจาที่นั่งจะละหอตายฟังธรรมสวดมนต์ที่นอนที่มองที่บงังพอได้หลับได้นอน อาหารก็พอเ<อ>ยวอหยาใช้ได้บุคคลก็มีมืดมีเพื่อนอยู่นี้ไม่ทอดไปทิ้งกันปากฝีปากไข่ต่อกันไม่ทอดไปทิง้งมีธรรมก็บอกกันอยู่นี้ทำมาสัปยะเคจริงไงสมบัติ ด, ดูเวลามันหลงไม่หลงนี่คือธรรมอันธรรมอันความหล ง, ลงไม่ใช่ธรรมก็มไม่หลงเป็นธรรม ความทุกข์ไม่ใช่ธรรมความไม่ทุ ก, ททก ข, ข, ขเมมเ์เป็นธรรมพระเจ้าเคารพธรรมไม่เคารพธรรมมันหลงไม่เคารพเลยผมไปหลงนี่เป็นสิ่งเคารพน้อมมากเอ๋าบางก็มีด้วยประการฉะนกราบพระพร้อมกัน